ตอนที่ก้าการเลือกสำคัญกว่าความพยายามหลี่จิ้นจักไปแล้วภายในตำหนักกลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งฉินหลิงใช้มือทั้งสองข้างหนุนต่างหมอนเอน็นกายพิงพนักพิงอ่น อ, อนนุ่มของบัลลังก์ยกขาขวาขึ้นพาดพลางแกว่งไปมาเบาๆใบหน้ายาวเรียบเฉยไรความรู้สึกทว่าดวงตาคู่นั้นกลับทอประกายวับแวมฉินหลิงกาลังใช้ความคิด หลี่จิ้นแล้วว่าตอนที่เทจูมีพระชนมายุ30พรรษาทรงนำทัพออกจากเฮอร์ซีเพื่อไปช่วยเหลือกองกําลังที่เมืองเหลียงทรงเอาชนะตระกูลหลี่แห่งกวนซีได้อย่างราบคาบและรับน้องสาวบุญธรรมมาเป็นพระชายาเอกนี่เป็นเพียงช่วงครึ่งแรกของพระชนชีพของไทจูแต่หลี่จิน้นกลับไม่เล่าต่อซึ่งฉินหลิงสามารถตีควาในที่ซ่อนอยู่ได้หลายประการในการไปช่วยเหลือเมืองเหลียงครั้งนั้นเทจูต้องได้รับอะไรบางอย่างมาแน่ๆซึ่งสิ่งนั้นทําให้กองทัพของพระองค์พบกับจุดเปลี่ยนสําคัญมิเช่นนั้นหลี่จิน้นคงไม่จงใจหยุดเเเล่่าาไว้้พีียงทน ความผูกพันระหว่างไทจู่และไทจงในฐานะพ่อลูกสะท้อนให้เห็นถึงความรักระหว่างไทจูและฉื่อโฮในฐานะสามีภรรยายอย่างอ้อมๆดังนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เมืองเหลียงครั้งนั้นฉือโฮต้องทำอะไรบางอย่างลงไปแน่นอนการสวรรคตรของต้าสิงหองตี้ย่อมไม่เรียบง่ายอย่างที่คิดชินหลิงคิดมาถึงตรงนี้ก็ลุกขึ้นยืนทันทีก่อนจะกระโดดลงจากบันลังเดินตรงไปยังต่างไม้ที่วางอยู่ด้านข้างบนนั้นมีกระดานหมากรุกหนึ่งใบและโถใส่ตัวหมากสองใบวางปรากฏแก่สายตา ชินหลิงเลิกชายเสื้อคลุมลงนั่งหยิบหมาขาวขึ้นมาหนึ่งกำมือพลางขมวดคิ้วจ้องมองกระดานหมากรุกตรงหน้าเป่าก๋อกงจงชวนมหาเสนาบดีฝ่ายทหารตาซือมาแม่ทัพผีชีแห่งราชวงศ์อวีอันก๋อกงชางหลีมหาเสนาบดีฝ่ายทหารตาซือมาแม่ทัพเชอชีแห่งราชวงศ์อวี ทั้งสองท่านนี้คือกลุ่มคนรุ่นแรกที่ติดตามที่จู่และเป็นเพียงสองคนในบรรดา13าคนนั้นที่มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ราชวงศ์อวี๋ถูกสถาปนาขึ้นแม่ฉินหลิงจะไม่ได้รับความสำคัญแต่ปัญหาคือในงานพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษที่จัดขึ้นทุกปีทั้งสองท่านนี้ต่างก็เข้าร่วมด้วยตั้งแต่ฉินหลิงเริ่มจำความได้เขาก็รู้สึกสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดคนนอกสองคนนี้ถึงต้องเข้าร่วมพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของราชวงศ์นี่คือการเส้นไหวบ้บรรพบุรุษตระกูลชูคนหนึ่งแซ่จงงงออีกกกคคนนนแชาาาพพววเเขขามาส้บ้บบรรรรุรุษใั จนกระทั่งชินหลิงที่ยืนอยู่ตรงขอบฝูงชนได้เห็นทั้งสองท่านนี้ร้องให้โฮต่อหน้าภาพวาดของเทจูโดยมีเทจงที่ขอบตาแดงกับคอยพยุมอยู่ฉินหลิงถึงได้เข้าใจทุกอย่างปีนั้นชินหลิงอายุสี่ขวบและเริ่มจดจําเรื่องราวต่างๆได้อย่างแท้จริงปีนั้นเทจงขึ้นครองราชได้สปีแล้วปีนั้นจงชวนและชางหลีเก็บตัวอยู่ในจวนมาได้สปีแล้ว ในปีที่ฉินหลิงเกิดซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เทจู่เกาห้องตี้เสด็จสวรรคตจงชวนและชางหลีได้ถวายดีกาทูลขอลาออกจากราชการเพื่อกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดทว่าไทจงไม่ทรงยินยอมทั้งสองจึงถวายดีกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดไทจงก็อนุญาตให้ทั้งสองพักผ่อนอยู่ที่จวนได้แต่ไม่อนุญาตให้สละตำแหน่งทางทหารซึ่งในราชสำนักก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน บัดนี้ทั้งสองพักผ่อนอยู่ในจวนมา8ปดปีแล้วนอกจากงานพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของราชวงศ์ในแต่ละปีที่พวกเขาจะออกจากจวนแล้วเวลาอื่นก็แทบไม่เคยย่างกลายออกจากประตูจวนเลยทว่าเมื่อครั้งที่ตาสิงห้องตี้เสด็จสวรรคตและเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในพระราชวังวี่ในบรรดากลุ่มคนที่เข้าวังมาเป็นกลุ่มแรกนั้นไม่มีพวกเขาสองคนแต่สุดท้ายกลับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เชิญทั้งสองเข้าวังมาใครเป็นคนเสนอและใครเป็นคนไปเชิญ ชินหลิงจ้องมองหมักขาวสองตัวบนกระดาษในใจเกิดความสงสัยมากขึ้นเรือตาสิงห้องตีที่เสด็จสวรรคตไปนั้นชินหลิงเคยพบเพียงไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาร่วมพิธีเส้นไหวบ้รบรรพบรุษเขามักจะได้เห็นอยู่ไกลๆสเสมอก่อนที่ตาสิงห้องตีจะขึ้นสืบราชบัลลังก์พระองค์ทรงมีพระพานามัยแข็งแรงมากร่างกายสูงโปร่งหน้าตาหล่อเหลาและโปลดการพกดาบเล่มหนึ่งซึ่งเป็นดาบที่เทจูประทานให้ด้วยพระองค์เองเพียงแต่ในตอนนั้นชินหลิงไม่กล้ามององราชชายาสในขณะนั้นมากนัก เพียงพระองค์รัชทายาทไม่ชอบยิ้มและจากการแอบฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ก็แทบไม่มีใครเคยเห็นองค์รัชทายาทในตอนนั้นยิ้มเลยคนเช่นนี้หลังจากเถลิงเถวนยราชสมัติได้ไม่ถึงหนึ่งปีและเพิ่งจะเปลี่ยนศกใหม่เป็นหยงชางซึ่งเป็นชื่อศกที่เป็นมงคลยิ่งนักแต่กลับต้องมาสวรรคตอย่างปริศนาดังนั้นเป็นการลอบลงพระชนหรือไม่ชินหลิงวางหมาขาวลงอีกตัว สำหรับสถานการณ์ในราชสำนักฝ่ายในตอนนี้ชินหลิงไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่ตาสิงห้องตีเสด็สวรรคตจนถึงการคัดเลือกจั ก, กรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ช่วงเวลาเจ็วันที่ดูเหมือนสั้นแต่กลับยาวนานนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่ชินหลิงอยากรู้มากที่สุดแต่เขากลับไม่มีช่องทางหรือวิธีการใดๆที่จะหาคำตอบได้เลยสิ่งเดียวที่ชินหลิงพอจะขยายความต่อได้คือการผ่านเรื่องราวของท้ายจู่ที่หลีจิ้นเล่าผสมผสานกับความทรงจำบางส่วนของตนเองเพื่อ น, นำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์คำเดียวสั้นๆ หลังจากต้าสิงห้องตี้เสด็จสวรรคตผู้ที่ปรากฏตัวในราชสำนักฝ่ายในแต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาโดยเฉพาะชื่อเซิ่งคังโซ่เทห่วงเทโฮเซิ่งเลียชื่อโซ่งหงเทโฮและหองหฮาพวกนาง ม, มีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้และใครกันแน่ที่เป็นคนเสนอให้เขากลายเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เรื่องนี้ก็สําคัญมากเช่นกันท่ามกลางม่านหมอกหนาะทุบนี้คือสถานการณ์ที่ชินหลิงกําลังขเขชิญอยู่ในปัจจุบันในชาติก่อนชินหลิงเคยอ่านนิยายมาบ้างบา ง, บางเรื่องก็บอกว่าเมื่อได้เป็นห้องเต้แล้วต้องเป็นทอรราช ต้องกุมอำนาจทหารกุมอำนาจการคลังพูดน้่นมันง่ายแต่ปัญหาก็คือจะเอาอะไรไปทาแบบนั้นใช่คุณมีข้อได้เปรียบจากการอย่างรู้อนาคตแต่คนโบราณก็ไม่ใช่คนโง่นะตอนนี้ฉินหลิงมีเพียงข้อได้เปรียบจากการอย่างรู้อนาคตที่ว่างเปล่าทว่าวกลับไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเขามาอยู่ในราชวงศ์อวี๋หรือไม่แต่ที่สําคัญคือเขาถูกปิดล้อมจนมุมต่างหากจะเป็นทรราชจะเป็นราชาผู้ทรงธรรม จะเป็นทรราชผู้โม่คลาหรือจะเป็นมหาราชผู้ปรีชาบทบาทเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ชินหลิงจะเลือกด้วยตามใจชอบแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเตรียมการจะให้เขาเป็นอะไรต่างหากอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ในมือของชินหลิงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งว่าใครตั้งใจจะให้เขาเป็นแบบไหนเขาก็ยังไม่รู้ชัดเลยจนถึงตอนนี้เวลานี้ต้องนิ่งไว้ก่อนเมื่อมองดูหมากขาวบนกระดานที่ตนเองวางเพิ่มขึ้นเรย์เย์ชินหลิงก็สัมผัสได้ถึงภพ่คุกคามที่ไม่อาจคาดเดา ความเสี่ยงที่ไม่อาจรู้ภัยคุกคามที่ไม่อาจรู้อันตรายที่ซ่อนเร้นที่ไม่อาจรู้มิดหรือศัตรูที่ไม่อาจรู้ภายใต้ความไม่รู้สารพัดนี้หากพวกเขารู้เรื่องที่ข้าสนทนากับหลี่จิน้นพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจะมีความคิดอย่างไรเรื่องนี้ไม่อาจคาดการได้เลยจริงๆสถานการณ์ในตอนนี้ยากกว่าการค่อยๆ ค, ค, คลี่คลายปมปัญหาเป็นร้อยเท่าพันเท่า หากก้าวพลาดเพียงนิดเดียวราชวงศ์อวีคงไม่รังเกียจที่จะมีต้าสิงห้องตี้เพิ่มอีกสักคนหรือไม่ก็จักรพรรดิ ท, ที่ถูกถอดถอนหากไม่มีข้าราชวงศ์อวีก็ยังคงดําเนินต่อไปได้ตามปกติแต่ผลลัพธ์สาหรับข้านั้นมันโหดร้ายเกินไปชินหลิงไม่กลัวความตายเพียงแต่เขาไม่อยากตายอย่างไม่รู้อิโนอินเนทั้งที่เป็นโช้ชะตาของตนเองแต่กลับไม่สามารถควบคุมได้เรื่องนี้สําหรับบุรุษที่มีศักดิ์ศรีคนไหนก็ย่อมไม่อาจทนรับได้สรุปแล้วหลีจ่จีนไปหาเทโธทั้งสามจริงๆหรือไม่ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ภาพลักษณ์ของหลี่จิ้นก็ผุดขึ้นมาในหัวของชินหลิงในอดีตชินหลิงไม่ได้มีความประทับใจในตัวหลี่จิ้นมากนักเพียงแต่รู้สึกว่าคนผู้นี้คือจุดทะลวงที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้ทว่าในคืนนี้ภายในตําหนักหลักแห่งนี้หลังจากที่หลี่จิ้นเล่าเรื่องราวของไทจูให้เขาฟังชินหลิงก็มีความประทับใจในตัวคนผู้นี้ลึกซึ้งขึ้นและชินหลิงสัมผัสได้สิ่งหนึ่งคือหลี่จิ้นจงใจเล่าเรื่องบางอย่างให้เขาฟังดังนั้นเจ้าเป็นคนซื่อสัต ชิลิงี่หมาขาวตัวสุดท้ายไว้ในมือจ้องมองมันนิ่งๆใบหน้าเยาวัปรากฏสีหน้าเคร่งขรึมซึ่งเป็นสีหน้าที่ไม่สมกับวัยเช่นนี้เลยชิ้นลิงได้เริ่มลงมือแล้วสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือการรอคอยอย่างอดทนเพื่อดูว่าหลังจากที่เขาลงมือไปแล้วจะเกิดระลอกคลื่นใดตามมาบ้างและจะทำให้คนกลุ่มไหนมีปฏิกิริยาอย่างไรความอดทนคือสิ่งที่จาเป็นที่สุดในเวลานี้ หากชินหลิงขาดความหนักแน่นแม้เพียงนิดและวุ่วายทำอะไรลงไปมากกว่านี้เขาไม่รู้เลยว่าการกระทํานั้นจะไปกระทบกับเส้นได้ที่ตึงเครียดเส้นไหนเข้าหากเป็นเพราะเหตุนั้นจนทําให้ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์กับขันชิ้นหลิงคงไม่มีแม้แต่ที่ให้ร้องไห้เพราะในตอนนี้แม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตเขาก็ยังรับประกรันไม่ได้รอบตําหนักต้าสิงแห่งนี้ไม่มีใครที่ชิ้นหลิงรู้จักเลยแม้แต่คนเดียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนสนิทหากเกิดการลอบลงพระชนหรือเหตุการณ์อื่นขึ้นจริ ง, ร ง, รงๆริินหลิงที่มีอายุเพียงแปดไได้อย่างร แม้จิตใจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานความจริงของอายุไขได้ขอเพียงชินลิงอายุมากกว่านี้อีกสักหน่อยเขาก็คงไม่ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นนี้